จึงโยบารมีมีทานเป็นต้นเว้นจากการเห็นโทษของความโลภเป็นต้นและจากความยิ่งยวดของอาโลภะเป็นต้นย่อมไม่มีเพราะความเป็นผู้มีจิตน้อมไปในบริจาคเป็นต้นด้วยความยิ่งยวดของอโลภะเป็นต้นอันนี้เขเรียกว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่โลภอธิบายเป็นสรุปเป็นนิยะว่า ถ้าไม่มีอัธยาศัย6กประการเนี่ยนะโดยเฉพาะอะโลพัธยาศัยเป็นต้นเนี่ยนะให้ทานไม่ได้หรอกหมายความว่าเห็นโทษของความโลภถ้าเราโลภเนี่ยนะถ้าโลภติดอะไรติดรูปติดเสียงติดเปลี่นติดรถติดโพธาภาทั้งหลายถ้าติดในรูปแล้วสมมุติว่าสีในโลกเนี่ยนะสีที่เราน้อมไปเพื่อจะเอากันน้อมไปเพื่อจะให้อะไรมากกว่ากันสีในโลกตั้งกต่เกิดมามีตาลืมตาแล้วแต่สายแปล๊ลมองเห็น เห็นเพื่อจะให้กับ น, น้อมมจะสูบเข้าเนี่ยอะไรมากกันแล้วถามว่าไอ้ความโลภตัวนั้นจะพาไปไหนดีเห็นโทษแล้วไอ้ความโลภตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆริงเยนะมันก็เลยเห็นโทษของความโลภแล้วก็น้อมไปเพื่อทํำยังไงที่จะกําจัดความโลภเหล่านั้นเหล่านั้นได้ที่มาของการให้ทานเริ่มให้นั่นนั่นก็หูได้ยินเสียงนี่ยนะได้ยินเสียงแล้วเออเสียงที่พูดถึงข้าวของในโลกเนี่ยพูดปุ๊บเพื่อจะให้กับพูดปุ๊บจะดึงเข้าอะไรมากกัน บางคนฉลาดคิดอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าเข้าเพื่อจะออกวาอ่างั้นนะะที่เขาหาหาทุกวันนี่ก็เพื่อหาเพื่อจะให้เสร็จแล้วว่างๆก็มาบอกเอ้มมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่างั้นพร้อมจะให้ทีก็ลำบากใจทีก็ว่าเอ้มหาเพื่อจะให้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่างั้นนั่ น, นสรุปทบทวนว่าจะต้องมีอัธยาศัยเห็นโทษของความโลภน้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยนะ ทีนี้ถามว่า เ, าเห็นโทษของความกโกรธโกรธนี่คื อ, อริษยากับตรณีนี่เกิดร่วมกับโทสะนะริษยากับตรณีนี่เกิดร่วมกับโทสะจะต้องเห็นโทษของริษยาและความตรณีแล้วก็ให้ให้ทานได้เห็นโทษของความโง่ว่าถ้าไม่ให้ทานนี่จะเสียหายขนาดไหนสมมุติถ้าเราไม่ให้ทานโดยประการทั้งปวงเลยนะตั้งแต่เกิดมานี่คิดจะให้ไม่มีมีแต่เอาอย่างเดียวยนะมีแต่ขอความช่วยเหลือโดยส่วนเดียวไม่ให้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะ สิบชาติข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเรียกว่าจนถาวรแน่นอนเนี่ยนะจนจนขนาดไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งในวยมารในโลกนี้มีสัตว์ที่ไม่มีผ้าจะนุ่งมีไหมมีแต่แผลเต็มตัวชนิดที่เรียกว่าอะไรปกปิดไม่ได้แผลเต็มตัวไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรมาปิดได้เนี่ยนะมันกันดารขนาดนั้นเลยแหละนั่นแหละเป็นโทษของความโลกที่จิตคิดจะให้ไม่มี คือมันก็แปลกว่าในโลกเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเอาเข้ายิ่งเอาเข้าเหมือนกับสัมนวนแบบว่ากินปูนอ่ะนะถ้ากินปูนเนี่ยถ้ากินไปมากๆามากมมากมากเดิมแต่น้ําปูนกินปูนเดิมน้ําปูนกินปูนเนี่ยนะดื่มดื่มดื่มดืมสักพันล้านปีนี่จะเป็นยังไงเป็นไงเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมโอยเราดื่มมานานกว่า น, นั้นอีกดื่มโลภามานานไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วใช่ไหมทันจึงเร่าร้อนอยู่ได้ไหให้นั่งนิง่งๆเอานิง่งๆยี่นาทียังมีความสุขยาก ไม่เชื่อกลับบ้านเลยนะก่อนนะพักผ่นนะสบายนะให้มันสบายจริงๆกา ร, รทำแต่ทําไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ดิ้นเรา่เราๆดิน้นพลักๆลกพลิกซ้ายพลิกขวาอย่านั้นะนะต่อไปว่าความเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งบารมีเนี่มาดูว่าอัธยาศัยแห่งการให้ทานของพระองค์นี่เป็นยังไงว่าอัธยาศัยสรุปว่าอัธยาศัยในบารมี10บเป็นปัจจัยที่สําคัญให้สร้างบารมีทั้ง10เนี่ยนะ อัธยาศัยเช่อนอัธยาศัยในทานนั่นแหละจึงเป็นปัจจัยให้ให้มีการให้ทานเนื่องจากมีอัธยาศัยในการรักษาศีล น, นี่แหละจึงมีการรักษาศีลเนื่องจากมีอัธยาศัยในการฟังธรรมนั่นแหละจึงจึงฟังธรรมสรุว่ามีอัธยาศัยในบารมีสิพูดแบบภาษาไทยเรียก ว, ว่ามีใจกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะพอได้เชื้อปั๊บก็ไปเลยเนี่ยนะเหมือนกันคือใจเนี่จะให้อยู่แล้วพอได้พอพอได้เหตุการณ์พอจะให้ปั๊บ ให้ได้ทันทีก็เนื่องจากจะให้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะนั้นอัธยาศัยในทานก็เป็นปัจจัยแห่งทานบารมีเป็นต้นของพระโพธิสัตว์ท่านทำทานทั้งอย่างก็เพื่อโพธิญาณจริงอยู่เพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการให้ทานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้เห็นโทษของความตรณีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทานนั้นย่อมบำเพ็ญทานบารมี ให้บริบูรณ์โดยชอบนะนะเห็นโทษของความตรณีตรนีนี่คืออะไรมัจฉริยะเนี่ยนะมัจเฉรินะก็คือตรณีตนณีก็คือบอกว่าสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์จงเป็นแต่ของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้สิ่งที่น่าอาศัศจรรย์อันเนี้ยเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นอศัศจรรย์ในความคิดของเขาอ่ะนะที่จริงอาจจะอาจจะไม่ได้อศัศจรรย์จริงอะไรหรอกแต่ว่ามีความสําคัญว่าสิ่งนั้นมันน่าอาศัศจรรย์มากสาหรับเขาแผ่ไม่ได้ให้ไม่ได้ขายไม่ได้นะนะ น, นั้นลนักษณะท่านเห็นโทษของความคิดตัวนั้นนะเห็นโทษของความตรณีที่เป็นศัตรูต่อการให้ทานก็เลยน้อมไปเพื่อจะให้ทานบอกว่าชั้นแรกเนี่ยนะให้ทานเนี่ยควรจะให้เสร็จแล้วตั้งความปรารถนาว่ายังไงขอให้เห็นโทษของความตรณีขอให้มีใจ ย, ยินดีที่จะให้มีความสุขที่จะให้เนี่ยนะก็อย่างที่เขามีคำถามว่าคนที่มีจริงๆเนี่ย กับคนที่ไม่มีเลยใครเนี่ยมีใจน้อมจะให้ถ้าเรารู้จักคนที่เขามีฐานะหน่อยเนี่ยเราจะรู้ว่าความคิดของเขาวันวันหนึ่งมีแต่ให้เนี่ยนะคิดจะเอาเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับจะให้เนี่ยนะถ้าเทียบกับคนทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเขามีเท่าไหร่แปลว่าใจของเขาน้อมไปเพื่อจะให้เท่านั้นเนี่ยนะเขามีแต่จะให้มีแต่จะให้มีแต่จะให้อย่างาหลายๆคนก็บอกว่าเอะคนนี้ไม่น่าจะมีฐานะได้ยังไงว่างั้น ดูนิสัยตะนีแล้วเกินแต่จริงๆอะ่ะใช่ในสายตาของบางคนนี่เขาตะนีกับบางฉากนี่เขาดูเขาเรียกว่าสุดยอดของคนตะนีแต่จริงๆแล้วอะ่ะนักให้นี่นะเป็นผู้ที่เรียกว่าให้คนอื่นให้เปรียบไม่ได้ในโลกนี้ใครตะนีที่สุดเนะที่ผ่านมานะบอกถ้าเป็นฝรั่งเนาะอาล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะนั่นอะ่ะโอยขี้เหนียวที่สุดแต่ว่าเชื่อแบบบริจาคมากกับเพื่อนเนี่ย น, นะบริจาคแทบหมดตัวเลยนะให้ให้เรีอกให้แทบจะหมดตัวเลยเลยซ้ำไป เันคนที่เรียกว่ามีมีจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นคนตนีอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ว่าบางภาพเนี่ยดูเหมือนตณีเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คาว่าตนีกับว่าใช้ทรัพย์เป็นนี่คนละอย่างกันคนไปมองคนใช้ซัพย์เป็นว่าตนีไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาอันหนึ่งตอนนี้กเขาบอกว่า้ยเขานั้นเขาว่าก็คนมีคนมีแต่ตนีเหลือเกิน ดูสิใช้อะไรอย่างประหยัดเือกเกินเข้มปีเลยจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าดูแลทรัพย์เป็นบริหารทรัพย์เป็นต่างหากเขาไม่เรียกว่าตนีไอ้คำว่าตนีจริ ง, รงๆก็คือไม่สามารถให้ได้แต่ว่าไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายเป็นต้นเนี่ยนะมีอยู่เรื่องครั้งหนึ่งหมอชีวกนะไปเรียนวิชาแพทย์กลับมาจบเสร็จแล้วก็ผ่านมาบ้านเศรษฐีคนหนึ่งนะปวดศรีรษะมากที่จะต้องหยอดน้ํามันหยอดในไส่ลงไว้ที่จมูกเนี่ย หลอดไปที่จมูกของแม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีว่างั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีนีเนี่ยนะก็หยดน้ํามันใส่จมูกเข้าไปพอพอจะเทออกมาปั๊บเนี่ยแม่บ้านให้เอาภาชนะมารองเลยมารองพอรองเสร็จแนละ้วหมอชีวกเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยนะใจใยนี่คิดเลยว่าแอบบู้ขี้เน็อโคนะนี้มันจะให้ค่ายาเท่าไหร่น้อสมัยก่อนก็ไม่มีแบบค่ายาแบบรรมเนียมแบบแบบสมัยทุกวันเนี่ยนะว่ายานี่จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่มี ไม่มีปั๊บเนี่ยนะบอกโอ้ยขี้เหนียวถึงขนาดเรียกว่าเนยใสยที่เทเข้าไปในจมูกยังให้คนเอาภาชนะมารองแล้วยังซับเอาไว้อีกโอจะได้ค่ายาเท่าไหร่เสร็จีนี้คนนี้รู้เลยบอกว่าหมอนี่คิดอะไรบอกหมอฉันเนี่ยเป็นผู้ครองเรือนนะนะธรรมดาผู้ครองเรือนเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์ว่าวิธีใช้ซับวิธีบริหารซับดูแลเข้าของโดยไม่ให้เสียไปโดยไม่มีประโยชน์เขาทํำยังไง แต่หมอไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องค่าค่ายาเป็นต้นนะแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ยอมให้ของศูนย์เสียเปล่าประโยชน์นั่นคือลักษณะของของผู้ที่จ ะ, ะมีฐานะได้ไม่ใช่เรียกว่าโหพลานสกเลี้ยงหมดเลยนะเรียกว่าไม่ตนีกยเรียกว่าเป็นคนใช้ทรัพย์เป็นมากกว่าแต่ว่าไอ้นิยามของคนบางคนที่เรียกว่าเขาไม่ให้ตัวก็เลยเรียกว่าเขา ตนีเนี่ยนะจริงๆอะ่ะไม่แน่อาจจะไม่มีคุณสมบัติคู่ควรที่จะรับของก็ได้เนี่ยนะในบางกรณีอาจจะไม่มีคุณสมบัติก็จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขาตนีแต่ว่าไอ้คนเนี้ยมันควรได้เท่านี้จริงๆก็ว่างั้นเรียกว่าให้ตามผลงานน่ยนะบางคนก็บอกว่าแหมถ้ามันมีความสามารถกว่านี้นิดหนึ่นนนงมันสนใจกว่านี้อีกนิดหนึ่งจะช่วยมันมากกว่านี้แต่ว่ามันช่วยได้เท่านี้จริงๆก็ว่างั้น อย่างคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆก็ให้ได้มากกว่านี้ก็ให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณสมบัติมันได้ไม่เกินนี้ถ้าจ่ายกว่านี้ถือว่าจ่ายแพงเกินไปอย่างก็เหมือนว่าของบางอย่างมันควรราคาบาทเดียวถ้าไปจ่ายเป็นร้อยอ่ะก็ไม่สมควรใช่ไหมของมันราคาบาทเดียวก็ต้องควรแก่จ่ายแก่บาทเดียวคนบางคนมันควรจะช่วยเหลือแค่บาทเดียวเท่านั้น่ะช่วยเกินกว่า น, นั้นไม่ได้ทาไม ก็เอาไปทำเสียหายอย่างอื่นอีกมากมายเพราะมันมีบุญพอที่จะรักษาได้เท่านี้ไม่ใช่เสียดายเนี่ยนะบางคนเขาเป็นในลักษณะนั้นเพราะคำว่าตนีนี่ต้องแยกให้เป็นว่าแค่ไหนเรียกว่าตนีขณะแค่ไหนจิงเรียกว่าให้ทานเนี่ยนะเป็นต้นเพราะคาว่าตนีกับคาว่าประหยัดเป็นต้นเนี่ยดูจกใกล้ๆกัน แต่ว่าดูที่ไหนก็ดูกันที่เจตนาเนี่ยนะว่าถ้าตรณีลักษณะว่าขอความอัศจรรย์นี้จงเป็นแต่ของเราเพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะอะไรคําว่าประหยัดก็คือดูแลทรัพย์เป็นบริหารทรัพย์เป็นรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่สมควรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยในทานรู้ว่าควรจะให้ได้เท่าไหร่อย่างไร เพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลจึงเป็นผู้เห็นโทษของความเป็นผู้ทุศีลบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์ะนะเนื่องจากอัธยาศัยรักศีลมากรู้เลยว่าคนไม่มีศีลอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้บอกว่าใครที่เกิดมาไม่เคยให้ทานโดยส่วนเดียวเนี่ยนะสมควรแล้วที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถามว่าถ้าคนไม่รักษาศีลเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่เคยรักษาศีลเลยจะเป็นยังไง ก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะบ้านปลายรับหมดนะ น, นะแต่ถามว่าถ้าไม่มีศีลกล้เลยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยสมมติถ้าเป็นนักฆ่าเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นที่สุดถ้าเป็นนักฆ่าเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นนักเรียกว่าโหกอบโกยโกงเนี่ยนะเรียกว่าโกงโกงที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะอธินนาทานหยิบช่วยที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าใช้ชีวิตอย่างเงี้ยตลอดไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเรียกว่าไม่ละไม่เว้นแม้กระทั่งว่าลูกใครเมียใครเป็นต้นไม่สนใจไม่ละไม่เว้นเลยเนี่ยนะชีวิตข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่า เ, เป็นผู้ที่อะไรนะไม่เคยพูดความจริงแม้แต่คำเดียวเขามีอยู่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศคนหนึ่งเป็นคนที่หลอกตัวเองจนจาชื่อจริงตัวเองไม่ได้ แค่ได้ว่าไปคบคนนี้ก็หลอกไปบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อยอย่างงี้อย่างงี้ฐานะตำแหน่งอย่างงี้เกี่ยวข้องปลอกลอกหมดทรัย์ไปก็หนีไปคบคนอื่นอีกพอคบคนอื่นก็บอกชื่อใหม่ไปเรื่อ ok, ยไปเรื่อ ok, ยไปเรื่อยจนถูกจับในที่สุดเนี่ยนะมีฟ้องร้องแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่รู้ว่ามันจะจําชื่อเก่ามันได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะมันเปลี่ยนชื่อมาตลอดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่รู้จะจําธาตุแท้ของตัวเองได้แค่ไหนไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ต่างประเทศคนหนึ่ง แล้วก็ในที่สุดตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกจับอีกครั้งนึงมันมันโกงคนอื่นทั้งโกงทั้งหลอกอ่ะนะคือศีล5้าไม่มีเหลือไม่แต่ข้อเดียวศีลห้าเนี่ยนะทั้งปานาธิบาตอาธินนาทานมันก็ไปหลอกเบียชาวบ้านเขานั่นแหละเสร็จแล้วก็ปอกลอกเขาหมดตัวก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยในที่สุดก็เลยถูกจับเนี่ยนะ ในสุดสอบสวนไปสอบมามจำชื่อเก่าไม่ได้แล้วมันต้นต่อมันมาจากไหนมางั้นเพราะมันมูสาจัดขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยอะไรจะปิ้นปล่อนขนาดนั้นก็ไม่ทราบเนี่ยพลิกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยนี้พูดถึงว่าศีนเนี่ยศีนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคือคนที่มีอัธยาศัยในศีนเนี่ยจะคิดถึงคุณค่า คุณนับประโยชน์ของศีลอยู่เสมออย่างที่ในชาดกอยู่เรื่องอนึาง น, นนะพระโพธิสัตว์ท่านท่านเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีปัญญามากในที่สุดท่านก็ทำงานรับราชาการแผ่นดินดูแลแผ่นดินถวายแก่พระราชาเนี่ยนะเป็นอย่างดีบ้านเมืองสงบป่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองร่ำรวยมากเลยนะทีนี้อยู่วันหนึ่ง ท่านก็มาคิดว่าในโลกนี้คนเนี่ยนับถือท่านเหลือเกินเนี่ยนะยกย่องแม้แต่พระราชาก็เรียกท่านว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยนะใครก็นับถือยกย่องท่านหมดเลยเนี่ยนะท่านก็สงสัยว่าเอเขานับถือเราเพราะเรามีปัญญาจัดแจงบริหารบ้านเมืองได้อย่างดีหรือว่าเขานับถือเราเพราะเรามีศีลกันแน่อยากจะลองดูทีนี้ท่านก็ลองวันที่หนึ่งท่านก็เดินผ่านคลังเรือนคลังหลวงท่านก็ช่วยเลยจิบมาําหนึ่งก็ใส่กระเป๋า แล้วก็เดินจากไปไอ้เจ้าหน้าที่นี่พูดไม่ออกเพราะว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่เรียกว่ารองแต่พระราชาเนี่ยนะเป็นแต่รองพระราชาแล้วเป็นอาจารย์ของพระราชาด้วยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยอมปากเอาไว้เงีบยบวันที่สองพอประชุมราชการแผ่นดินเสร็จก็เดินผ่านเรือนกลางก็หยิบใส่กระเป๋าอีกไปแหมคันตังหิดตังหิดเลยนาะเจ้าหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่รู้จะทาไงครั้งที่สามก็หยิบหยิบอีกเนี่ยนะ ก็ถูกต่อว่าพระอาจารย์อาจารย์ทําอย่างนี้ได้ยังไงอาา่ะนะถูกต่อว่าเป็นต้นท่านก็เฉยแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าไปอีกวันที่สเอาใหม่หยิบใส่กระเป๋าอีกเนี่ยนะจับเลยครับนี้นะมันทนมาทั้ง3ครั้งเลยนะครั้งที่4ี่ทนไม่ได้แล้วนะจับเลยจับก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชาเนีเรื่องใหญ่โตเลยนะประชุมกันวันนี้เห็นไหมท่านลักษณะว่าขี้โกงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหยิบเอาคลังหลวงไปเนี่ย ทำไมอาจารย์ทําอย่างนี้นะพากันเรียกว่าถูกด่าสวดใหญ่เลยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรยังไงเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงท่้นบอกว่าท่านก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ท่านอยากจะลองดูว่าในโลกนี้ระหว่างศีลกับปัญญาเนี่ยอันไหนมันสําคัญที่สุดระหว่างกันสรุปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าประจักษ์แก่ตนแล้วว่าศีลเป็นใหญ่ที่สุดประเสริฐที่สุดท่าะะ น, นก็ขออาลาออกจากราชการไปบวชแล้วลว่างันไปรักษาศีล คนเนี่ยนะสมมติว่าอู้เป็นคนที่มีปัญญาฉลาดถ้ทุ่มศีลแค่ครั้งเดียวเนี่ยเสียประวัติหมดตลอดชาติเลยนะเพราะฉะการทุ่ศีลเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากเนี่ยนะไปผิดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะหมาว่าเป็นคนดีมีเมตตาต่อสัตว์มาตลอดชีวิตเกิดก่อนตายฆ่าสัตว์ครั้งเดียวเสียประวัติตลอดไปเนี่ยเสียประวัติทั้งชาติเลยนะเป็นคนที่มือสะอาดมาตลอดการแต่ว่าแหมไปหยิบฉวยแค่ครั้งเดียวแล้วถูกจับได้แจมแจ้งเลยเนี่ยนะเสียประวัติตลอดชาติ หรือเป็นคนแหมรักเดียวใจเดียวมาตลอดเวลาหันหน้าไปหาคนอื่นแค่ครั้งเดียวแค่นั้นน่ะเสียหายเสียประวัติอีกเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนพูดจริงมาตลอดพูดโกหกครั้งเดียวเสียหายแล้วหรือเป็นคนไม่เคยแตะสุราเลยเมาคลานครั้งเดียวแค่นั้นแหะเสียประวัติตลอดไปเนี่ยนะทั้นสรุปว่าเสียศีนี่มันเสียหายเสียหายทั้งโลกนี้เสียหายทั้งโลกหน้าเห็นโทษเลยว่าทุศีนี่มันเสียหายอย่างไรเสียหายแก่ตนอย่างไรเสียหายแก่ ผู้อ hey, ื ons, <laughs> ling, ่นอย่างไรเมื่อ kind ท of ําแล้วตัวเองเดือดร้อนยังไงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างไรเป็นต้นเพราะความทุศีเนี่ยมันมันสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่ให้แก่ตนอย่างเดียวสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นคนอื่นเขาก็เดือดร้อนใจเพราะเราเหมือนเหมือนอย่างว่าถ้าลูกไม่สบายคนเดียวเนี่ยนะพ่อแม่เดือดร้อนหมดเลยชั้นใดถ้าผู้ใดทุศีลคนเดียวเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนสุดแท้แต่ว่าคนที่ที่เสียศีเนี่ยอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ระดับสูงมากคนอื่นเดือดร้อนมากถ้าอยู่ระดับล่างก็ก็ไม่ไม่เท่าไร่นะ แต่ยิ่งแบบคนใหญ่คนโตยิ่งใหญ่เท่าไรเนี่ยนะมีอำนาจเท่าไรถ้าทู่ศีลในครั้งเดียวคนอื่นเดือดร้อนเดือดร้อนมากมันเห็นโทษเลยว่าทู่ศีลนี้เสียหายอย่างไรมีโทษอย่างไรก็เลยกลายเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในศีลมีปกติรักษาศีลก็เลยสมาธานศีลรักษาศีลให้ดำรงมั่นและยืดยาวนาน เพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยในเนคขมมะจึงเห็นโทษในกามแล้วก็เห็นโทษในการครองเรือนเนี่ยนะเราเห็น <he S 2> <he S 1> โทษว่าโทษในกาลเนี่ยมันเป็นอย่างไรคําว่าโทษแห่งกามเนี่ยคืออะไรกามทั้งหลายเนี่ยนะอย่างบางคนที่เรียกว่าบุญเก่าไม่มากเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยมันได้มาง่ายๆไหมบางทีเนี่ยแลกเหงื่อแลกน้ําตาแลกโอ้ยแลกความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ความยากความลําบากกว่าจะได้มาหนึ่งสิ่งเนี่ยนะ น้ำตาแทบร่วงเขาว่ากันบางทีก็ร่วงไม่รู้กี่รอบนะกว่าจะได้หนึ่งชิ้นขึ้นมาเนี่ยพันอันนี้ก็เลยเห็นโทษของวัตถุว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยกว่าจะได้บางทีเนี่ยไปตายคาที่คาที่ทํางานคาอะไรไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็มีอย่างบางคนเนี่ยนะโอ้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อจะได้รถคันหนึ่งก็ได้รถมาคันหนึ่งตัวเองตายค า, ยารถคันนั้นแหะประสบอุบัติเหตุเฉยเลยเนี่ยนะพันถามว่าโอ้ว่ามันมีโทษมากขนาดไหนอย่างี้เป็นต้น หรือถ้าถ้ามีการครองเรือนเนี่ยนะโทษของการครองเรือนนี่อะไรจะเกิดขึ้นโทษแห่งการครองเรือนก็าบอกว่าคุณธรรมทั้งหลายโดยมากมีแก่ผู้ครองเรือนหรือมีแก่นักบวชอย่างนนนะงทีนี้ถามมาแล้วท่านต้องการอะไรท่านต้องการคุณธรรมถ้าถ้ามีการคลองเรือนเนี่ยนะจะสร้างคุณธรรมได้อย่างไรถือว่ายากมากเนี่ยนะยาก แต่ว่าอาจจะพูดผิดสมัยก็ได้เนี่ยนะคำนี้จริงๆไอาการบวชเป็นเรื่องดีแต่พูดในยุคนี้ที่สมัยเขาเก็บเรื่องนักบวชมาด่ากันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะยุคนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะสมัยที่เรียกว่าคนไม่ได้อยากบวชแต่อยู่ในคราบของนักบวชอยากเป็นผู้ครองเรือนแต่ว่าแม่อยู่โดยเพศนักบวชเนี่ยครองเรือนมีสบายที่สุดก็เลยบางทีก็เรียกว่าเป็นคนที่ครองเรือนในคราบของ นักบวชเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็เสียหายแต่สรุปว่าในในพระโพธิสัตว์นี้ไม่ไดเอายุคสมัยมาเกี่ยวข้องเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่าอัธยาศัยเห็นโทษของวัตถุ ก, กรรมเห็นโทษของกิเลสกรรมว่าจะออกจากวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร